ความโกรธความโลกความหลงที่ถูกกับขังใหญ่ทางจิตวิญญาณไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองขังตัวเองอุปทานโมหะสำคัญมั่นหมายวัตถุอาการตา่างๆตกจองจองไม่เปดิสระทางจิตวิญญา นาบางทีอจะนักไปกับเขาเดดมันถือมันมากวกเขาสำคัญเปนหมายสมมติประยัดมัเก็บไปหัวใจไม่หัวใจอุปทานยึดงนโูมวันตัววัน เป็นเปนกับระการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแต่เห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยมันเป็นการปลดปล่อยทางกิจวิญญาณเป็นดิสระทุกกร น, นี้การผูกมัดอยู่เป็นส่วนตัวแล้วก็ ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเการปวดปล่อยตัวเองมันหลงเห็นมันหลงมันผิดเห็นมันผิดมันตทุกผิดให้เห็นต้องหลงไม่เห็นตัดีมันถุกไม่เห็นมันฉุกไม่เห็นมันเลาะ็นชังไม่เห็นมันแหละมีโอกาสที่ปวดปล่อย ไม่เห็นเห็นแล้วอย่าเป็นบางทีมันใ้เป็นสุขให้เป็นทุกไม่ได้เห็นมันปิด บ, บางไว้เพราะไม่มีสติแล่จึงมาดูเดี๋ยววิชากรรมธา ามันมีฐานในกายก็มีจริงๆเอามาเป็นวัสดุปกกระกอบได้ผิดความรู้ออกมากได้ก็ใช่ได้เวลาใดที่มันเกิดอะไรขึ้นกับปลากับใจมีสติก็ไปเกี่ยวข้องถ้าเวลามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีสติไปในกายั้งไว้ น, นั่นหลับ ถ้าเราทองไม่ดูอยู่ก็จะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจะได้แก้ไขอมาที่เราคร้องอยู่เวลาเราไม่สิธิไปในกายอาจจะผิดอาจจะถูกโดยวิ่ากรรมาฐานสามบัพรเต่างๆก า, า, า, ายบัพพะสัมปชัญญะ บ, บัพพะ มีความรู้สึกไม่ความลึกได้ไปในกาย que, มีความรูすす้สึกมีความลึกได้ไปในจิตใจมีความรู้สึกไม่ความลึกได้ไปในการกระทําความสุขความทุกข์ถ้ามีความรู้สึกมีความลึกได้ความสุขความทุกข์มันก็มีการกระทําเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เห็น สุบเป็นสุบทุกเป็นทูบลลงเป็นหลงผิดเป็นผิดก็ไม่มีการกระทําเกิดขึ้นมันเป็นรุ่นเป็นก้อนเหมือนคนไม่จมาน เวาเราทำสิ่งใดก็สำเร็จเป็นเปนที่หมายงั้นเราเดินทาง ผลงานมาันเป็นเทพเป็นจริงจริงได้ทำสำเร็จก็ว่าสุดแล้วทำได้แล้ว เร่องโกรรด้วยสมภพวันไม่โกรรด้วยสมภพโดยทั้งสองลักษณะเป็นคู่กันก็เลยได้คำตอบอ้อมอีกคู่เห็นทั้งคู่ได้ทำทั้งคู่มันไอ้ความรู้ตามความเป็นจริง แต่เ่เกิดขึ้นกับโลกของนามวิธีที่ทราไปเข้งตัวมากแล้วทำได้มากแล้วเรียกว่ามากเคยทำได้มากจะเินได้มากดูไปไเรื่อยๆมากไปด้วยภาวะที่เห็นภาวาที่เป็นหมดไปไดเรียกว่าเจริญ บัตรนาบัฒนาไม่ na, ่ออะไรก็พบัฒนาเรีสอนปฏิบัติตัวเราก็พบัฒนาบางทีก็ปวดวิชาให้กับตัวเองไม่ต้องลำดับใช้เป็นก่อนใช้ไปได้เลยบางทีใช้ สั่งกวางโล ที่เขารเรียนสอบปฎิญญาทุกวันเรียนไออปรเรียนสอบปฎิญญเลยเพราะว่าอาจารย์แอบฉายมาใหม่ให้นักเรียนไดเรียนได้ทําเวลาการที่จะไปรู้ผู้คาคำโน่นชาบบางทีเราไม่ต้องไปหัดการหัดนี่ จะทำไม่เป็นก็มีแต่การจะทาเนี่ยทาไปที่เลยมันทําเป็นอะ่ะหลังที่ทําจะแล้วมันจะมาลำดับเงินตาวุของพระเจ้าพูดตรัสรู้ฉับคันมรไบ้หัดเลยใช่พระประดายทันทีแม่นยำไปเลย ไนชีวิตของเราดิแล้วเราใช่น่มันจะจำนานตรงที่มันผิดทำมันถูกใช่หมมันถูกว่าใช่ปฏิบัติแล้วทำแล้วรักษาแล้วถ้าเป็นเชื่อโรครักษาแล้ว ความหลงเกิดขึ้นทําห้่ความหลงไม่มีหมดไปแล้วเรากรักษาแล้ว ไ, ไหลลงมาไหลลงมาเลื่อนลงมาตามพิวน้องทุกส่วนลำคอไห L ลอยู่บนลำคอไหลน้าอกทนเจแขนไหลไปต า, เ า, า, าเมเแขนตามโอ่ตามบวอยมือตามฝ่าิ้วมีความร้อนมีนิ้ว ไหลลงมาทางน้ออกไหลลงมาทางท้องทางหลวงไหลลงไปทุ่งขาไหลลงไปเข้าไปแย่งไปนองไปเท่านั่งอยู่ที่ไปเท่าในความนอยู่แล้วก็ความนั่งรวดเร็วไปลดสารเราลดสารลงกัน เอาเป็นเปวหนังเองนเนื้อก็ดูไม่ใช่ตบใจปวดเชื่อใจเช่นอนอันหมายหมอันตอบไหวเไปหมดสามสี่โลแล้วกว็รักษาแล้วรักษาแล้วได้รักษาแล้วดีขึ้นแล้วโรคไครไข้เจ็บที่มันเกิดจากเปลีวหนังจากเส้นจากเนื้อจาก เมื่อจะกระโดกทุกส่วนสามร้อยท่อนจนไว้ว่าภายในหมดในวารักษามมันเลยเป็นเป็นมโนภาพหลังสีที่มันคิดขึ้นมาดังทีเมื่อจะเป็นไปนได้ถ้าเราไม่กำลังรวมคิดดีด เห็นเวลามันปวดเห็นมันปวดไม่ได้เป็นผู้ปวดต้องทอมใจไปด้วยทั้งไม่รู้วามรู้สึกเป็นเช่นนั่นจริงๆแลนวที่ล่องวงควา้างก็มีกำลังใจขึ้นตอนนั่งได้การเวลามันปวดอ่อนแอะไเลยก็จะ เรืเ่อนก็ไปอ <c oughs> นี่ชีวิตของเราเนี่ยมันหลงไม่เห็นจอ่อนแทําไมรวมไม่หลงมีอยู่บันทุกไมเห็นจะไปอ่อนแอทาไมรไม่ออทุกข์มีอยู่เช่นเือนกานี่เรยว่าวัฒนาพัฒนาวัฒนดีขึ้นเป็นทุววกข์นเจ้าก็์วาทุกข์นันุกงธมทกความทุกข์ บรลุธรผู้ความหลงบรรุธรรมผู้ความผิดมาเป็นความถูกบรุธรรมผู้ปัญหามาเป็นปัญญาใชา้ให้เกิเปดประโยช น, น์เรวยกวัฏธมะนั่งอยู่เฉยๆเราดูก็ได้ดิ้ี่ไหนก็ได้ปฏิบัติทําไม่มีการไม่มีเวลานังา่งบรลุธรมนอนบรรุธรรม ม, มาให้เราได้สติได้ปัญญาไม่ใช่มาให้เราโง่ในวัฒนวัฒน า, ฒนาเรียนรับนอกจากรัฐศาสตร์ทเดินจังกรมสร้างจังหว่าเป็นระดับเละมนงานมีการเป็นระดับเละ ใจใจวลาทำานามมันจะสนุกก็เราหัดภายในดีแล้ว้ารจะได้ออกรืงเวลามันเจบบวดเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายกว่าที่เรายังไม่พูดคัะทำไม่ก่อนเราลู้แล้วลู่ล่วงหน้าแล้วให้พัฒนาวัฒนะ วิชากรรมธรรมเนอมีอยู่แล้วกรรมเรือเอเ่อการมำกมรมฐานทำให้เกิดวิปัชนนามีกัรกระทำก่อนทึงทำให้เกิดความรู้แจ้งแบบนี้ขวดวิชาตองไปไอ้ก็ลูกลูกเห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นขวดวิชาด <c oughs> นั้นเห็นไม่เป็นไปกับสิ่งที่เห็นแล้วขวดวิชา ถ้เห็นเราเป็นยังอ่อนแอยังเป็นอน้บานยังไม่ผ่านมันต้องเห็นอะไรต่างๆมันหลงให้เห็นมันผิดได้เห็นมันถูกให้เห็นมันถูกมันทุกข์ให้เห็นไม่ได้ไปคนคัวหานั่นเช่นเรา นันนน่หายใจเข้าหายใจออกนอนหายใจเข้าหายใจออกอยู่หนึ่งรอบสองอหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหลงหลงไปทางความคิดหลงไปทางกายหลงไปทางมันผิดหลงไปทางมันถูก ความเดดก็ทำให้หลมกวามถูกองให้หลงความุกทำให้หลมถ้าสุกเป็นสุกด้วยหลงแล้วผิดเป็นผิดด้วหลมทุกเป็นทุกด้วยหลงหลงหลงหมายจ่านก็มันก็หมายเองกวามหลงศึกษาตรงนี้ลองดู เมื่อมาตัวไปนอกมัน ง, ง่ายขึ้นภาษาอะไรกูย้อนเข้าเย้อนออกมันมีวัตถทุที่ที่เป็นรุ่นเป็นก้อนสองฝักได้แต่ความหลงที่มันเป็นอาการความปิดความูกความโศกความทุกข์หลงแต่นั่นมันยังเป็นนามมธรรม ถ้าเราไม่หลงตรงอาการหรือว่านามมาทำแล้วรูปว่าทำมันก็ ง, ง่ายบางทีมันเอาภายในยก่อนภายนอกก็เรียบร้อยไปเลยก่มีวว่ามวันกันเช่นขนันหน้ารูปมังเป็นรูปเวทนา ส, าสาัญญาสั่ขารวิญญาณต้องสวดก็ว่าอย่างไร บางทีจะาอะไรเป็นลูกเเพื่อนไหวอะไรเป็นรูปเป็นนามเอาบุคคลกันกระปั้นเชิดจอมมาประกอบกันลูกบุคคลเป็นลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามไม่มีลูกแต่มั่เกิดเจ็บเจ็บตายต้องนั่งตเป็นลูกได้ จะทุกข์มากกว่าูเวทนามากกว่าลูกลูกไปจนไรไปวันทุกข์เพราะเวทนาจนอยากเรื่องขานติอยากติดเกิดเจตตาเวทนาเสียใจที่การงานกระดับกระดับกระตับลูกนะน้ำมันหิวข้ามันปวดมันแก่ นาส้นย า, าวเสขาดทีอย่ามันโค้งแค่เก็บตาอยู่ตรงนั้นมีความลูกก็ไปง่ายๆมันเจ็บเห็นมันเจ็บมันคิดเห็นมันคิดหรือว่าคมลเหนอยคเงินเหนือยคุมนอนทั้งลูกก็สมลึกไปเลยเยอะป่อยจริงเยอย ลูกกรรมบนลูกจนเกินไปตัวเวทนาตัวสัญญาสังขารวิญานนะอันลูกมันกำหนดการเคลื่อนไหวใ น, นเป็นเวลาอันเวทนาสัญญาสังขารมิยานไม่มีเวลาไม่ได้าาว่าทําวันเช้าทำวันเย็นมันไม่ได้มาสาธยายมันเป็นหน้าที่ของมันนะเวทนาสัญญาสังขารวิญาณมันแสดงเป็นประจา ไม่จบไม่ใช่มาทากรรมต่เลไม่เป็นรู้จบทุกข์มันทุกข์มันเป็นทุกข์ฟิดเห็นมันคิดไม่เป็นรู้คิดมันติดเลยมาเห็นมาไม่เป็นไปกรรมมาจริงๆแล้วดูกายเห็นจิต ด, ดูจิตเห็นํามันไปกมันไปไกลอยู่อย่ามา อยู่ที่นีเหมือนอารมณ์สออารมณ์หนึ่งอาจะดูกายเคลื่อนไหวรู้ได้เห็นลูกเห็นนามการดูกายเคลื่อนไหวเนี่ย20เปร์เซนต์เป็นรูกเรื่องความคิดกัน0ประเซ็นตนักกว่าเคลือนเล่นๆตัวเนี่ยเคลื่อนเล่นๆไปอาจจะเล่นๆไปจะพูชปปเอาทันทีเลยนะี่ยนัก มีน้ำหนัก 80% น้ำหนักของพูกนี้ 20% เท่า น, นั้นเรียกว่าควาเพียงทางคิดแล้วก็เถียนเครสอนพวกเราบางทีเราไปรูปคำไม่ควมคิดต่อลองครับทำไมจึงคิดไม่อยากให้คิดมันก็คิดรูปคำ ความที่มันคิดมันเป็นลาเป็นรูปเป็นคำอยู่มันไม่มีน้ำหนักถ้าบําเป็นด้งจริงๆมันเปิดกันตีคิดภาพรวมแบบเหมือนน้องโอเทียนรูดว่าเหมือนแมวกหมนหนูตันตีเหมือนแมวเราคิดเหมือนหนูแต่แมวมันเฉื่อยเฉาะมันก็จับหูไม่ได้บจักที แต่มันตอนที่มันจับงก็นิ่งๆเลยแต่มันอยู่ดือดขวนไหวอยู่ที่นี่มันนิ่งเราเรียกว่าประเด็นจับได้ใช่ไหนตัว น, นั้นอะ่ะเรียกว่าบางเพียงทางจิตแล้วเจ้าตั้งจะรู้การบางเพียงทางจิตจิตเหมือนกับ ทำหนึ่งค่ะรู้เท่ารูท้ทำไม่ฟรีเลยแม้แต่นิดเดียวอันที่มันหลงไปความคิดมันสูขไปกับความคิดมันทุกข์ไปกับความคิดมันมากกว่าทางลูกทางลูกเนี่ยมันก็ถูกเสียนเด็คไปร้อนถูกล่อองความเจ้าหนาวขาดอาหารในกระเป๋าจึงหิวทำ ง, งานหนักถึงเจ็บึงปวดแต่นอนมาทำเลย มันไม่เป็นเช่นนะั้นเป็นได้ทุกอย่างสุดได้ทุกเวลาทุกได้ทุกเวลาหลงได้ทุกเวลาไม่มีการไม่มีเวลาเราก็ต้องรู้ในพัฒนาแบบนี้บางทีอาจจะไม่ทำสร้างจังหวะบางทีอาจจะไม่เดินจังกรมเอา เมื่อแนวจับหนงเงียบเนี้ยดูไปทีใดมีความสงบที่นั่นเป็นการตอบปัญหาชีวิตได้แม้อยู่ในความวุ่นวายก็ยังฝึกให้ตั้งมั่นช่างจออันช่ตาไม่ลหลบไม่ตองหัวจะบดดุ้นการใจมันเป็นดงงก็นป่าแบบป่าแบบนี้ มันไม่เหมือนป่าจุดโตทางด้านที่ให้สละหัวใจเนี่ยนั่งอยูที่นี่ก็เป็นป่าเอาวิชาเรียไม่รู้เป็นป่าเท่ารู้ก็เป็นก็ไม่เห็นป่า Let me e l a c h t อร่างเขาสอนให้รู้จับการเคลื่อนไหวให้รู้อยู่แน่ก็เลยไปชวนลองก็เทียนว่าเอาให้เขาบอกเป็นตั้งคิดไปเดยลองดูดีไหมให้เขารู้ความคิดไปเลยแต่ว่าตั้งเห็นมันชี้เกิกลับมาเห็นมันชี้กลับมาลองคนนะอบอกบอกไว้หมดบอกเป็นบางคนผู้ใดพอจะบอกให้เราตทำ ทำ น, นี้ด้วยารทำสองชิดเถียงมาชิดแต่ไม่ชิดกันรู้สุดตัวเดยจะนอน่เห็นร่วงนอนได้เช่นเดียวกันไม่เห็นมันิดรู้จดตัวแล้วก็จะมลังแต่บางทีก็สอนว่าถ้ามันรู้กายเชื่อความไปเล่นจิตเลยมันจะทำมาได้มันจะยาก ว่า ม, มัสติสติมันจะอยู่ที่เห็นเห็นมันคิดแต่หละสตินะไม่มีอยู่ตัวนั้นหรอกไม่ได้ไปซ้อมาะไรมาเห็นมันคิดเรารู้สึกตัว น, นั้ น, น, ะนะสติได้คิดเป็นคิดแม้ไม่กายสติไปในกายเท่าไหร่ก็ก็จะยังไม่ทันบ้างเวลาไมไ่คิดก็รู้เพิ่ ที่ไหนก็ได้นั่งบนรถก็ได้กรรมาถานแต่เมื่อลำงานต้องการอยู่กับกรรมฐ า, า, านต้องการเป็นจริยาไม่เป็นกรรมถ้าเป็นเหนื่อยเป็นกรรมยากเป็นกรรมน้ำปาดาลเป็นกรรมเห็นมันเหนื่อยเห็นมันหนักไม่เป็นกรรม เป็นสิ่งยากเรยการทำสวดมากเป็นกรรมมันยากคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่ช่วยตามมาเป็นปงอาหารหนึ่งข้าวหอมข้าวกงข้ายากจะพากยากันยากเป็นยากเป็นคำยากแต่มมนยา ก, มยากไม่ได้เป็นผู้ยากมันหนัก ัไม่ได้เป็นผู้หับไม่เป็นกรรมเป็นจิตาจิตาเนี่ยจะไม่กรรมชนะกรรมกรรมตามไม่ถังเป็นพู้ชนะกรรมไม่มีกรรมผู้นกรรมเป็นกรรมฐานเเดียวแบบหมาะแก่การทำมาทำบันทุกอย่างวิกรรมฐานเนี่ย เป็นสมบัติของชีวิตจริงๆเป็นสมบัติของรูปของนามกรรมฐานและลูปนามไม่มีกรรมฐานแล้วอันตลอดมาจะเป็นกรรมเป็นเบญจเป็นวิบากจะแล้วไม่ได้ทําอะไรกับวิบาก ยิ่งเฉยก็หลงบ่ทุกข์ยากตืดล้นนอยอยู่ก็หลงบ่ร่ำรวยก็หลงบ่มันเป็นวิบากไม่ตัดกรรมไม่เป็นจิริยาที่เล็กกรรมวิมบากเป็นมรรคตลอดตลอดชีวิตตั้งชาติก็ได้ถ้าเราไม่ตัดกรรม การตัดกรองคืเห็นไม่เป็นรอดเห็นมันรอดลงตรงไปอย่างเงี้ยรัดไปอย่างนี้ดูเจอมันฉุกขกมันฉุกไม่เป็รู้ฉุกมันทุกข์เกินมัทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นพานตะพุทธภูมิไปเงี้ยจะไม่ใช่ตัวลองดูไอมนี่ไหมนอนเฉยเฉยมัน มันลำบากใช่ไหมมาไม่หลับต <c oughs> ัดไปเลยตัดไปเลยรู้ไปเลย <c oughs> ชำนาญเตอนแรกเลยชำนาในตอนมันลำบากธรรมะในตอนไม่กินเลยตอนธรรมะชำนาในการมีกรรมไปคิดเรื่องอะไร <c oughs> กรรมคือได้ผมคิดคิดได้เป็นสุขด้วยกรรมเหร คิดแล้วลดเป็นกำคิดแล้วเกียบชังเป็นกำกำใครใครทำเป็นุเป็นสุกเป็นกมทุกเป็นทุกเป็นกำถ้าเห็นมันสุไม่เห็นมันสุขแกมันทุกข์มันเป็นทุกข์พ้นกำเลววัดตัดออกไปเนื้อกำ อิจฉาปวดป่วยฐานคิดวินยาณ่วงใหญ่ให้ฉานโูกของชีวิตเราเนะีถ้าเราไม่ตัดต่อนี้ไม่ทำาันเอครับแคบแคบแคบแค บ, ค บ, คบทิต่วคิดก็คิดแบบกัดตอดลยนะันเจ็บปวดเจ็บเพราะความคิดปวดเพราะความคิ ด, ค ด, ด, คดสุกทุกข์เพราะความคิดรอ พอใจไม่พอใจก็กวามคิดถ้าไม่ตัดกรรมวันจึงมีสติเนี่ยคุ้มบนหมดของกรรมก็ บ, บนหมดของทบของชาติที่มันเป็นทกเป็นชาติทกคือภาวะภาวะตตา ง, ตาง กาเป็นปโรกัญ่ชาติและการมาติหาสวัตติหาจะไปมองทั้งเศตรงกันข้ามวา่ไม่รู้จดีกกยมยอมคิดก็ไรู้จดียมยอมโกรธกร็ไ ม, ม่รู้จดีมยอมโศกก็รู้จมางทีก็ไม่รู้จม่ สุกสุกทุกพอใจไม่กอใจเผาวัวเป็นตัณหาที่มันแม่นำเอาเสมอด้วยตัณหาไม่เหยไม่รู้วจิิ่มเลยในความปวดความโลภความหลงความรอกความจำความพอใจไม่่อใจนานเท่าไหร่ยังไม่อยู่ในชีวิตรเรานมันต้องนะ วิเวทเนี่ยเฝ้า อ, อยู่เป็นนิไมู่จ้จดเอีมเป็นธาตุของต่ำหนาเป็นธาตุของความหาบไม่ใช่ความหยาอยู่เพราะฉะนปปั้นนีสจะปิดเข้าไปมันไม่ยากมันไม่ง่ายนะไม่ไม่เป็ น, นยอย่างหยาบอัตวน มนุษย์ทุกคนมาอยู่บนโลกแบบไม่ร้เหนือโลกแบบไม่รู้ไม่ใช่อยู่เหนือโลกแบบเนี้ยเห็นไม่เป็นความใหญ่ไพศาลความใหญ่ไพศาลไม่ทับแทบเหนือทุกสิ่งทุกอย่างโลกเป็นเมฆเลนตันหน 5, ้าตานาลอยแปลไม่เป็นหรือตามเดียวนี้ อีเชืล้วเดี๋ยวนไม่รอไม่มีสารไม่มีตุลาการอะไรมารอตัดสินเป็นกันส่วนตัวเป็นพ้นกรามส่วนตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บัดจัดตั้งเดี๋ยวนี้ทําได้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวนี้เห็นกายตามความจะเห็นใจตามกฎจึง เห็นกายจากักรวากาเห็นเวทนาจักรวาเวทนาเห็นความคิดจักรวาลควาคิดเห็นธรรมจกักรวาลธรรมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอมันจะได้ถึงเวทนาถึง เ, เห็นมันดูก่องมันดูแล้วเมื่อเรากเพื่อนดูแลง่ายง่ายเมื่อเราไม่ยานยานเปื่อนแรกจะหลอก บังดาเกิดกันแล้วจะหล่อเฉยเสวานเกิดกันแล้วจะหล่นิพพานเกิดกนแล้วธรรมสั็พันธแล้วแล้วก้อนหลงแล้วแล้วก้นทุกแล้วแล้วก้อนโกรธแล้วแล้ว้แล้วเห็นเชตามก็ไปริงแล้วก้อมทุกก้อนไม่หลงก้อนไม่โกรธ้ง ที่หวังดูปันลงมังกรตามตวามปนริงยนี้มีอยู่ในโลกอย่าอย่าไปลูกคานะปฏิบัติธรรมให้ปวดวิชาเลี้ยงแบบปวดวิชาทั้งกระั่าทั้งลูกทั้งอมทั้งสองอย่าวันเป็นทางกายวันเป็นทางกิน ไปจิตมันใหญ่ไม่เสถียมันทันกว่าการที่ว่าสิจังหวะจิตจังหวะไมเป็นวิธีจิตมันไม่มีอะไรมากำหนดได้ไหวของเสียงเสียงเสียงงไม่ไหวถ้าเสียงมไหวกว่าิไวก วัดต่ออะไรยิงไหมยิงยิงยิงยิงยิง